สิกขาบทที่สิบเรื่องพระชพคีห้าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกวิสุทธชพาพคีนั่งเวกผ้าในละแวกบ้านพระบัญญัติสิบพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่นั่งเวกผ้าในละแวกบ้านเรื่องพระชพคีจบ ศิษยาบทวิพังพิสูจน์ไม่พึงนั่งเวกผ้าในละแวกบ้านพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งเวกผ้าขึ้นข้างเดียวหรือทั้งสองข้างในละแวกบ้านต้องอาบัตทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ1นพิกษุไม่จงใจ2อพิกษุไม่มีสติ3าพิกษุผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้เป็นไข้5้พิกษุอยู่ในที่พัก6กพิกษุมีเหตุขัดข้อง7ด ภิกษุวิกลจริตแปดภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่สิบจบปริมาณพระวักที่หนึ่งจบ